บุกทูสิบสามเด็กทีกิจกรรมอาการดยมาท่าทำอะไรเคียนมาตาฟารัสเธอทำงานในสำนักงาน เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มาท่าอยู่ที่ไหนที่โรงหนังเธอกำลังดูหนัง ปีเตอร์ทำอะไรเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลายัยเขากำลังเรียนภาษาปีเตอร์อยู่ไหน ที่ร้านกาแฟเขากำลังดื่มกาแฟ ca ca พวกเขาชอบไปไหนไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรี อิลิชาตัอาสออสกูลติมุจิกวพวกเขาไม่ชอบไปไหนขี้นอิลิเนชาตัสอิริไปดิสโก้ alla discoteca พวกเขาไม่ชอบเต้นรำอิลิเนชาตัส ด, ดั้ซี